พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20พิพฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าปลาช่อนขอฝนอโลกหลานอยู่ในความสงบวันนี้ชะนีทำไมร้องแต่เช้านักวะ ประกาศอะไรวะเหมือนพยบาบาลประกาศให้ใครรู้นะจเชดีเขาประกาศมันจะร้อนมันจะหนาวนะเชนีของเราสมชายดำ ข, ของเรานะประกาศเมื่อเช้าเนี่ยมันจะร้อนมันมันจะร้อนหรือมันจะหนาวขึ้นนะแต่สงสัยมันจะหนาวแล้วนะลูกหลานเข้ามา มาใหม่มาพักเนี่ยมานั่งอยู่ศาลาเอ๊ะทำไมศาลาหลวงพ่อมันรั่วหรือเปล่านะทําไมน้ําหยดปกปักปกปักเนีแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ศาลารั่วนะลูกหลานนะมันเป็นน้ําค้างน้ําค้างอําเภอนายูงเนี่ยมันลอยมาตามอากาศแต่ถ้าหลังคามันก็ไหลเหมือนกันนะเลี้ยงขนได้ทีเดียวนะน้ไหลาจากๆๆๆๆๆมานะถ้าฝนท่านวันไหน นำข้างแต่มันเกาะข้างล่างไปเพราะมันกากเกาะข้าล่างมันก็หยดลงมาข้างล่างที่เวละอไม่ใช่มันรั่วมันเป็นสังกะสีน่ะถ้ามันเป็นกระเบื้องห่ือไม่น่ะพอเป็นกระเบื้องเวลามันซับเข้าไปมันก็ซึมเข้าไปในกระเบื้องเลยมันจะไม่หยดนะถ้าเป็นสังกะสีเป็นอย่างนี้นะแต่หากว่าเรามีเพดานก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีเพดานมันจะหยดอย่างนี้นะแต่ก็ต้องระวังนะ วเวลาเดินไปคนพออย่างยิ่งผู้สูงอายุถ้าเดินไปมันหกล้มลื่ น, นได้ง่ายๆเพราะมันเป็นพื้นเป็นหินแล้วก็น้ำหยดมีน้ำหยดอีกต่างหากมันทำให้เปียกแต่ทำให้ลื่นได้ระวังระวังวันนี้เป็นวันที่20อาทิตย์ที่20ส พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,559 มวานครูบาจะหน่อยเป็นหัวหน้ากำลังเริ่มเริ่มลงมือทำงานแหะเอาแม็คโคเขามาถ้าเอาคนทุบมันก็ใช้เวลานานเกินไป แล้วเอาแม็กโคมาทุบกำแพงที่มันหกล้มตัวไหนมื่จะเสียหายหรือถอนมือวานเะน่ยเริ่มลงมือละค่อยทำไปเรื่อยๆนะแม็กโคเข้ามาแล้วก็เราให้ทำทางหน้าทางหน้าสะกอนนะหน้าวัดที่ถนนผ่านไปมาที่เป็นคลองมันลงกำแพงลงทีเดียว8แปดเม็รเลย จมน้ําเม็ดเลยแท้เดถ้ามันจ้อยยาวกว่านั้นก็คงจะหมดยาวกว่านั้นตามปกติมันจ้อยหนึ่งมันยี่สิบยี่สิบเอดเมตรนะกําแพงของเราเนี่ยจ้อยหนึ่งยี่สิบเอดเมตรแต่ในตรงกําแพงอะไรทาเป็นจ้อยแปดเมตรมันก็นลงทั้งแปดเมตรเลยกระโดดลงน้ําเลยหายเงียบไปเลยไม่เห็นเลยกําแพงแผงนั่น น, น่ะนี่แหละเสียหายกําลังจะเริ่มทํางาน คอยทำไปเรื่อยๆนะขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะศรัทธาญาติโยมทุกโมู่เหล่าการประพฤติปฏิบัติธรรมการบําเพ็ญคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบําเพ็ญมามิใช่ว่าบําเพ็ญมาปีเดียวเดือนเดียวชาติเดียวไม่ใช่บําเพ็ญมาเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนแชาตินะนะ แต่ละชาติจะกำเพนเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆก่อนที่จะได้เป็นเศรษฐีนะก่อนที่ท่านก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหันตสาวก เ, เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าคิดดูให้ดีแล้วความอิจฉาพยาบาท อ, อ, อาฆาตจงเวรแข็งดีแข็งเด่นกันมันไม่ควรจะมีนะ คิดตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วนะเพราะเหตุไรเพราะบรณฑบุญของใครบุญของเราบุญของพระพุทธเจ้าก็คือบุญของพระพุทธเจ้าที่ท่านปลอมเพนมาพระเทวทัตเนี่ยไปแข่งมันจะได้อย่างไงเพราะมันคนละเรื่องกันผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้าเป็นดินผู้เป็นปรารถนาได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นบุญวาสนาของเขาเอืออํานวย แต่ท่านก็บอกไว้ว่าผู้ที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนชาติที่แล้วเขาอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักวัยวุฒิคุณวุฒิให้เกียรติผู้ที่สูงสงกว่าตนเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นผู้เกิดในสกุลสูง จะเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งถ้าว่าผู้ไรก็ตามไม่รู้จักสูงไม่รู้จัก ต, ต่ำตีลวดกวดเพียงปราสตีเสมอไปหมดไม่จกักพูดไม่รู้จักผู้เท่าผู้แกไม่รู้จักผูดวัยวุฒิโุนวุฒิไม่รู้จกัยยจกสัมมาคารวะคนนั้นเกิดมาพบได้ชานาย้ห้เป็นคนต่อยต้ำต่ำเตี้ยเป็นคนขอทานเป็นคนที่ไม่มีศัก์ศรี อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาให้พวกเราศึกษาอันนี้ ค, คือความเป็นมาแต่ละคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดภาษาวกภาษาฤๅบุตรภาษาฤๅบุตรเป็นมาอย่างไรความเป็นมาของพระองค์ท่านให้พวกเราไปศึกษาเถระประวัติคือเถระประวัติก็คือประวัติของพระเถระแต่ละองค์โมกคราเป็นมาอย่างไรก็มี พระอานนท์เป็นมาอย่างไรก็มีประวัติของท่านแต่ละองค์ละองค์มีทั้งหมดตนถึงเทรีประวัติฝ่ายอุบาเป็นภิกษุณีที่บวชในครั้งพุทธการภิกษุณีกับเทเถรีประวัติคือเท ร, เทรีเทรีประวัติผู้หญิงประวัติของพระเถรเะเป็นพระหรหันผู้หญิง ในครั้งพุทธกาลถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วนะเราจะรู้จักที่ไปที่มาทั้งหมดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตดรัสรู้บําเพ็ญมาเท่าไหร่ต่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีไม่รู้กี่องค์ตกกี่องค์สรุปแล้วก็คือล้มลุกคลุกคลานบางทีกับบางชาติก็ขาดทุนบางชาติก็ได้กําไร คำว่าบางชาติขาดทุนคืออะไรคือเกิดมาแล้วได้คบไปคบคนชั่วเป็นนักเลงหัวไม้คบกับคนเลวผลที่สุดก็เป็นคนเลวไปมีแต่มีแต่ความพยาบาทอาฆาตจองเวรมีแต่โมโหโกธาไปทางนั้นไปผลที่สุดเกิดมาพบนาชาติหนาแปลว่าขาดทุนตกนออเลก็กขึ้นมาพอขึ้นมามาเกิดขึ้นมาแล้ว ในพบบัณฑิตนักปราชญ์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนั้นดีอันนี้ชั่วนะอย่าทำนะสิ่งที่มันไม่ดีอันนั้นแปลว่าชาตินั้นได้กาไรบําเพ็ญในชาตินะเออสูงส่งขึ้นไปไปสู่อย่างน้อยกับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์ที่สูงส่งจากนั้นสูงกว่านั้นก็เป็นเทวดาอินพรหมไปแต่บางพบบางชาติเกิดมาแล้วเบื่อหน่ายเป็นครวาญ หนีออกไปบวชอยู่ในป่าเ ป, เป็นลือศรีสีไัยรักษาศีลบําเ พ, พ็ญพรตตายออกจากฉนั้นไปสู่พรหมโดยมากผู้ที่เรารู้ในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วนะถ้าชาติใดที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ดีเป็นเศรษฐีก็ดีเป็นชาวบ้านก็ดีออกไปบวชแล้วก็บําเพ็ญฌานคือบําเพ็ญภาวนานะคือฌานะ บำเพ็ญทางจิตภาวนาพวกนี้จะไปสู่พรมเกือบทั้งทุ ก, ทกชาติที่ไปสู่พรมทุกชาติแต่ชาติได้เกิดมาแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเศรษฐีเป็นกหาพอดีใในการบุญการกุศลทำบุญทาทานอพอตายจากชาตินี้ไปโดยมากจะไปสู่สวรรค์เป็นสวรรค์อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ อันนี้ก็คือความเป็นมาของแต่ล ะ, ล, ะล็อกระวัตแต่ละบุญวัสนาบารมีแต่ละคนเนะพราะนั้นพวกเราไปเห็นเขาได้ดีมาเห็นพบนิชาตินี้เขาได้ดีก็อิจฉาเขานะมันไม่ใช่เรื่องอันนั้นแปลว่าเราคิดผิดใจแล้วนะถ้าคิดตามถ้าคิดตามแนวแถวของพุทธะแล้วนะเอมันมีแต่บางคนเขาก็ได้ดีนะไปได้ดีเป็นที่ยกย่องเชิดชูแต่พอเดินเดินไปสะดุด หัวขมั่งไปเอเข้าคุกเข้าตารางถูกติชินนินทาไป อ, อีกนะเออันนั้นมันเป็นยังไงฮ อ, อันนั้นคือกรรมชั่วกรรมดีให้ผลอพอกรรมดีให้ผลเสร็จแล้วกรรมชั่วก็ให้ผลเอเพราะาว่กรรมดีกับกรรมชั่วมันเอเหมือนกับพลิกฝ่กามืออย่างนั้นแหะพลิกคว่ำพลิกหายอย่างนั้นอออันนี้ก็คือกรรมคือการกระทํา เพราะตัวเองทุกทีเราเกิดมาเนี่ยนะเราทำแต่กรรมดีอย่างเดียวใช่ไหมคิดดีทำดีพูดดีอย่างเดียวใช่ไหมเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็มีมากมายเหมือนกันชั่วนะเอาอะไรมาวัดเอาสินห้าของพระพุทธเจ้ามาวัดนะสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวกลางนะใครจะดีและใครจะชั่วนะเอาตัวนั้นแหลเป็นหลังวัดเลยท้าวเบี่ยงมาทงาง ขาดชิน้นขาดชิ้นห้ามากๆแปลว่าชั่วแหละท่านรักษาชิ้นห้ า, ามากๆนวัดดีเนะี่นี่แหละดีกับชั่วมันไม่อยู่ที่ไหนนะให้อยู่ตรงสินห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสน า, าใหพพพพ้พวกเราบําเพ็ญทานสินภาวนาเตามหลักของพุทธนะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านที่พระองค์ได้บําเพ็ญมา ไม่ใช่ว่าบำเพ็ญแต่ศีลอย่างเดียวก็ไม่ใช่มีทานด้วยมีเนคขมะด้วยมีสัจจะด้วยมีอธิษฐานด้วยมีเมตตาด้วยมีวิริยะด้วยขันติด้วยสรุปแล้วก็คือในหลักของพุทธศาสนาเนี่ผู้ที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานต้องบำเพ็ญด้วยบารมีสิบบารมีสิบ เขา่งครังนีาสสิบมาเรียกว่าปรมัาทพรมีสัมปันโนอิติปิโสพระขาวอุปปรมีอุปปรามีสัมปันโนไปว่าขั้นกลางนะเออปรมีสัมปันโนอิติปิโสเนี่ยเออบารมีปรมีสัมปันโนอิติปิโสอุปปรมีสัมปันโนปรมาทพรมีสัมปันโนคือบรมีบำเพ็ญขั้น ธรรมบดดาเพื่นแล้วก็บาเพ็ญขั้นกลางแล้วก็บําเพ็ญขั้นอุดกุกฤตเด็ดเดี่ยวอันนั้นแาะวะา่าปรมัตถปรเมยอย่างโพลิทัตต์นี่ยที่ท่านมารักษาศีลอยู่ที่เมืองมนุษย์ท่านเป็นพญานาคนะชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสวยสวยพระชาติเป็นพญานาคนมาบําเพ็ญอยู่จอมปลวกนะ หมอลำพายไปเพราะว่าท่านเบื่อเบื่อที่เป็นเป็นมันเป็นนาคเนะีท่านอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลยมีทางเดียวท่านจะรักษาศีลท่านก็เลยมาตั้งจิตอธิษฐานรักษาศีลอยู่จอมปลวกหมอลำพายคือหมองูเนะี่ยเข้าไปกัไปจับอไปจับเขาก็บอกโอ้โหงูแต่มันพิดห้ายมากแต่นี่มันทําท่ามันเฉยมันเชื่องมันไม่สู้กับใคร ถึงจะตีจะทุบอย่างไรมันก็มันก็ยอมอันนั้นคือพระพุทธเจ้าชาตินะั้นเป็นชาติรักษาศีลอย่างเด็ดเดี่ยวจะไม่เบียดเบียนใครแม้แตะโกรดก็จะไม่โกรธใครนะว่าปรมาถะปรามีสัมปันโนอิติพิโสภควาศีระประมัถะปรามีบำเพ็ญศีลอย่างอุกฤษนะแต่ตามไม่จริงถ้าว่าพญ า, านาคผู้ที่ทัดนะโกรธขึ้นมาโมโหขึ้นมาแพ่งไปท่านนั้นนะ แปลว่าไพหมอลำพายนะ์ไฟไหม้ลูกเป็นไฟไปเลยเพราะว่าอํฤอานาจฤทธิ์ของพญานาคแต่นี้พญานาคไม่ใช้ฤทธิใ์ใช้ขันติคือความอดทนเราอยากจะขอให้เกิดเป็นมนุษย์และให้เกิดเป็นเทวดาอย่าได้มาเกิดเป็นนาคอีกต่อไปออันนี้ก็คื อ, คอท่านปรารถนาอย่างนั้นอันนี้ก็คือนี่แหละท่านบําเพ็ญว่าอุกฤษ ยคือยอมเสียสละยอมเสียสละยอมเสียชีวิตอยากไม่ยอมให้สินขาดเด็ดขาดนะรักสินยิ่งกว่าชีวิตนะอันนี้คือว่าปรมัตถะประมีของพระพุทธเจ้าพนั้นบาปรมีของพุทธนะเนี่ยมีอยู่ส0บอย่างนะเียว่าปรมีส0สบทัดแคลงกลางธรรมดานะ รวมแล้วเป็นอย่างละสิบละสิบมันก็เป็นสามสิบแตคิดเป็นพูดเป็นภาษามาลีที่หลวงพ่อเป็นเนนน้อ ย, ยคู่บาเทวเรียนเอาเนะี่อคาถาบาีสิบทัดนะท่านก็พูดให้ฟังหลวงพ่อก็จำจำก็เรียนนะทาทาไปว่าทานสีไปว่าศีนทาสีนะนะไปว่าเนคขมะ คือนกนักบวดทาสีนะปะวิขะสะอาเมอนะุเรียนแต่เป็นเน้นน้อยแนตะ่ยังจาได้นะให้ข้าวมบา ร, รมีส0มสิบทัศทาสีนะปะวิขะสะอาเมอนะุ อ, นอนะุนั้นคะืออุปิขานี่แหละอันนี้ก็คือบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญแต่ในชาติหนึ่งพระพุโรงท่านเน้นหนักเรื่องอธิฐานะบารมีสัมปันโนนะ อธิษฐานชาตินั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่กุงสาวัตถีเนี่ยช่วงนะั้นเป็นช่วงที่ฟ้าฝนคงไม่ตกเท่าไหร่มาแหงแล้งพระองค์บอกว่าในชาติหนึง่งเราเคยเกิดเป็นปลาช่อนตัวใหญนะ่อยู่ในบึงใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ในเขตแขวงกุงสาวัตถีนี่แหละอยู่ในละแวกนั้นน ะ, ะเป็นปลาช่อนใหญ่แต่ได้ฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตก ห้วยน้องคลองบึงทั้งหลายแหล่เนยที่บึงใหญ่ๆก็แห้งแต่นี้มีนกพวกเหยี่ยวพวกก า, าพวกนกเข้ากลางคืนกับนกเข้าแมวนกคีดทีเนี่ยที่หา ก, กินกลางคื น, นลงไปจับปลากินตอนกลางวันกับพวกเหี่ยวพวกอีแล้งพวกอีก า, าที่ปลาตายในในหลงบึงใน บ, อบ่อมันน้มแห้งใช่ไหตอนนี้พระโพธิสัตว เออเป็นปลาอยู่ในในหนองนะในคลองนะ่ะมันจะแห้งแล้วอยู่ในอยู่ในเปลือกตมแล้ ว, วงั้นเถะที่ท่านโอ้ตายเห็นปลาบริวารลูกน้องบริวารนะตายมากเมเป็นอาหารของพวกเห ย, ยวเอนอกจากเราจะแล้วก็คงจะไม่มีใครจะช่วยได้เร า, า, า, าเนี่ยคนเนี้ยตั้งแต่เราเกิดเป็นปลามา เราไม่เคยเบียดเบียนปลาเล็กปลาน้อยทั้งที่ปลาเนี่ยต้องอาศัยกินปลาด้วยกันเป็นอาหารกินปลาน้อยเป็นอาหารแต่เราเกิดมาแล้วเราไม่เคยจะเบียดเบียนปลาตัวไหนเลยก็เท่าเม็ดข้าวหักก็ยังไม่เคยเบียดเบียนสัตว์เรารักษาศีลมาตลอดเรามีแต่กินพลชพืชเป็นอาหารเกิดมาชาตินี้ เราก็ไม่เคยคิดจะเบียดเบียนปลาตัวอื่นอีกต่างหากนอกจากเราแล้วเราคงจะตั้งจิตอธิษฐานนะท่านก็โผล่โผล่หัวขึ้นมาจากเปลือกต่มเหมือนกันนะท่านก็มองขึ้นบนฟ้าบอกว่าเทพเจ้าเราเทวาผู้ที่ตกแต่งฟ้าฝนพวกพวกหมู่ผงข่าในลำบากอย่างมากแล้วน้ำแห้ง มีแต่คอยวันตายเท่านั้นอขอเทพเจ้าแล้วเหล่าเทวาจงช่วยโปรดเมตตาด้วยสัจจาสัจจาอธิษฐานของข้าพเจ้านี่นะาอ้างถึงสัจจาแล้วนะท่านอธิษฐานสัจจาอธิษฐานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดเป็นปลามาข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนปลาเล็กปลาน้อยไม่เคยจะฆ่าสัตว์เลยด้วยสัจจา ของข้าพเจ้าที่ได้บ่มเพ่นมาโดยดีแล้วนี้ขอให้เทวเจ้าเหล่าเทวาจงบรรด o บรรดาให้ฝูงฝนตกในให้ข้าพเจ้ากับฝูงญาติด้วยเถินะพอพยาป่าใหญ่ป่าช่อนใหญ่ตัวนั้น่ะอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างอย่างแรงเลยประวัติเทวบุตร เทวบุตรอยู่ชั้นฟ้ามองเห็นบรรดาให้ฝนตกลงมาเนี่แหละอันนี้ท่านบอกว่าเมื่อเราเมื่อใดก็ตามเราอยู่ในสถานะใดก็ตามเมื่อเราคับขันเมื่อเราคับขันมีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่สบายใจในะเรื่องเนี้ยเราก็ควรจะน้อมลำลึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้ในปัจจุบันได้ชาติก็ดีอดีตชาติก็ดีเออบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้บ่มเพนทารศินภาวนาบ่มเพนคุณงามความดีดูแลพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ของเราบิดามารดาของเราโดยดีที่เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นขอขอให้มาบรรลุนบรรดาขอให้ข้าพเจ้าผ่านพน้นจากอุปสรรคอุปสรรคนานับประการที่เ ป, เปเชิญ ปัจจันบาลหรือว่าอยู่ในต่อหน้าของข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ด้วยเทินอันนี้ท่านบอกว่ามันก็เป็นตั้งจิตอธิษฐานอันหนึ่งเหมือนกันลำลึกถึงสรุปแล้วกับถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็แปลว่าลำเลิกนะครับลำเลิกและลำลึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้กระทาในที่ผ่านผ่านมาขอให้บุญกุศลตั้งหลายตั้งปวงเหล่านั้น มาแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้ขอให้สำเร็จร่วงไปอย่าได้มีอุปสรรคให้ไหลลื่นราบรื่นไปตลอดไปนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วนะเมื่ อ, อ, อถึงขาวจำเป็นหรือว่าขาวขับขันนะอย่างปลาบปลาช่อนนะที่อยู่ในเปลือกตมนะ้มท่านก็ยังระลึกถึงบุญบา ร, รมีของท่านคุณงามความดีของท่าน ในอดีตในชาติในปัจจุบันในชาติท่านเขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นการกินคือมิตรฐานอาหารเป็นส า, า, า, นสาลายหรืออย่างอื่นไม่ได้กินปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นเล ย, ยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาเขาขอให้ฝนตกลงมาช่วยฝูงญาติของข้าพเจ้าด้วยเถิดฝนก็ตกตกลงมา นี่แหละชาติชาตินั้นชาติหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านได้ตราสไว้นะและท่านก็บอกว่าผู้แต่งฟ้าฝนเขานั่นก็คือพระอานนท์เป็นเทวบุตรนี่แหะคือสรุปก็คือเป็นเครือขายกลุ่มเดียวกันเหมือนกันนะกลุ่มเดียวกันคล้ายๆราะว่าเมื่อเรียกร้องไปหาเนี่ยก็ต้องถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยต้องช่วยเหลือก็คือกุณหนุนกันถ้าเป็นคนละทิศคนละกลุ่มกันนะก็โอ้ เหมือนกับเร า, เาว่ายน้ําฮะปกปผมปกปอมไปช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยถ้าเป็นอริศตัวแล้วเขามีแต่เขาเอาไม้ค้าคอให้มุดลงไปในน้ําอีกต่างหากถ้าถ้าเปนถ้าว่าเป็นมิตรเป็นสหายเขานันเอพอเขามีกําลังเหนือกว่ากว่าเราเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะพยุงเราได้เนี่ยไม่ใช่ตะไม้แล้วเขาก็โดดลงไปเลยเอยแบกเราขึ้นมาเลยนี่อันนี้ก็คือคน ที่เป็นบุญเป็นกุศลหรว่าเป็นเอเคยสั่งสั่งสมคุณงามความดีมารด้วยกันเพราะฉะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีนะ่งอยู่ด้วยกันท่านจะให้มีเมตตาต่อกันไม่ใช่คราวไม่ใช่คราวใดวต้องคราวหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปตลอดเวลาบางทีมันวันเวก็มีเหมือนกันนะถนนนะอาบางทีมันสายกลับก็มีเราก็ต้อง รู้รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรู้จักหมู่พวกเพื่อนพักพวกไว้หลายหลายคนก็ดี ค, บ, คบกันกัญญาณมิตรไว้ดีกว่านะกัญ ย, ยาณมิตรคือมิตรที่ดนะเีเราต้องมองดูเราเป็นกัญ ย, ยาณมิตรนะมิตรที่ดีเราควรจะคบกันไว้ดีกว่ามากๆถ้าว่าเราไม่มีเพื่อนมีผู้ฝูงนะไม่มีพักมีพวกนะมีแต่ปาปมิตรหรือว่มีแต่ไป อีกฉาพยาบาทอาฆาตเขามั่วไปหมด เ, เมื่อเราจําเป็นมาเราจะพึ่งพาอาศัยใครอาศัยผี่าอาศัยน้องอาศัยพักพวกอาศัยเพื่อนฝูงใอาศัยไม่ได้ทางนะั้นเพราะอะไรเพราะตัวเองทําตนไม่ดเีเพราะนั้นการที่อยู่ด้วยกันควรจะมีเมตตาต่อการรักเมตตาสงสารการช่วยเหลือเกือเก้อกูลหนุนกันมันจึงจะถูกนะพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนนะ สรุปแล้วก็คือให้มีเมตตาให้มีน้ําใจต่อกันอย่าไปคิดพยาบาทอาฆาตอิจฉาออิจฉากันมันไม่ดีหรอกมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายท้าว่าเรามีเมตตาต่อกันเพื่อเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกันรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักสัมมาคารวะอยู่ด้วยกันดีทั้งนั้นแหละท้าวาไม่ทําตาม แนวแถวเรื่อหลักทมคำสอนของพุท ธ, ธาละมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะลูกหลานนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรับพรนะั่นตนี่นะ